ไม่ใกล้ไม่เที่ยวเเลิกนะเอองลาหลานในท่านกาแฟมเาฟามตตาเพื่อผลธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ด้วยแต่ไม่ใช่กำหนดหมายเอาเป็นที่สุดในการกข้อประเด็นที่สำคัญอยู่ตรงนี้ว่าไอ้ที่สุดของเราเนี่ยจุดเต็มอิ่มของเราเนี่ยเราอยู่ตรงไห น, นเราอยู่แค่รวยแล้วเราอยู่แค่ครอบครัวเท่า น, นั้นแล้วล้เราอยู่แค่อมีสมาธิสุขไปวันๆเท่านั้นเลย นะแต่ตรงนี้ต้องหมายว่าต้องมีหัวใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นไปตามหลักการต้องมีหัวใจหัวใจเราอยู่ตรงไหน น, นี่ถ้าหัวใจเราขึ้นสูงเนี่ยไอ้ข้างล่างแล้วก็เราก็ทําไปแต่ทาไปอย่างจนิดที่อทําไปตามสมควรแต่ว่ามันไม่ใช่หัวใจของเรานะอย่างพระรามเนี่ยทานนยาย่านแผลเนตตาเฉยเพราท่านเฉยกันนี้ทำหรือแผลเนตตาเพื่อ อ, อย่างนั้นอย่างนี้นะ ผมผมยกตัวอย่างสันิดนึองเป็นพระอาหารหันต์ที่ mm hmm. แผ่เมตตาชานตนได้แล้วก็ต่อวิปัสนาจนเป็นน้าหลานแล้ว mm hmm. ถามว่าโดนเสือกัดโดนคนปฏิสลายได้ไหม mm hmm. ได้ถูกแล้วได้ mm hmm. ที่ได้เพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าตังมณเ่ร mm hmm. ที่นี้ ท่านมีพลัีกแล้วบางครั้งท่าไม่ทําเฉพาะกรมีเนี่ยนะมันคุ้มไม่ได้ท่านถึงต้องทำเฉพาะกรมีหมายก็ว่าไอ้บางอย่างต้องขึ้นมยเฉพาะหน้าอย่าไปนึกว่าเราเป็นเรื่องนี้แล้วเราเราขึ้นต้นไม้เป็นตัวมาเราไม่ยอมขึ้นตกเป็นน่ะขึ้นไม่ขึ้นก็เป็นขึ้นต้นไม้เป็นไปยัครับสีหน้าหรอกอย่าอย่ามากลับกันเลยงขึ้นต้นไม้เป็นมันก็ไม่ฟัง นันถึงตอนนั้นเนี่ยต้องขึ้ตนต้นไม้นั้นการเข้ากรรมาฐานเฉพาะหน้าเพื่อจิดบางอย่างจึงต้องทําเป็นจิดผิดไปอย่างพระพุทธเจา้าถึงคราวท่านสวยเนี่ยจะไปเอาของเก่ามา ใ, ใช่ไหมนะเพราะปลั๊งเก่าเมื่อออกก็ก็จางไปใช่ไหมล่ะก็ต้องเข้าสมาบัติผู้เปื้ออาพาเธเฉพาะหน้าพระโมคคัลลานนะถ้าท่านคุ้มครองตัวไม่ให้เขาฆ่าถ้าท่านจะเรีทําท่านก็ทำได้ ทำ้แต่ว่าท่านเลือกเทาน<ต>ั้นฮใช่ได้ก็ต้องโดยนประตสลายไปทั้งที่มีพลังจะทำได้ทีนี้เราเองเนี่ยนะทุกคนเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงอย่างที่เราดูระดับนี้บางเรื่องเนี่ยแพ้ไม่เด้คนเพราะ อ, อะไร ต้ ง, งเกียวว่าบางอย่างในกรรมแล้วมันมันแรงขนาะดแผลเวลานี้ยังไม่ได้ผลบทีมันคู่เวรคู่กรรมะอะไรนะบางทีมันต้องเอาผลาาลัพธะสนับระดนิดได้แล้วก็บางคนเนะี่ยไอ้คนที่อยากจะช่วยใจยกาไม่ได้ผลนะไปได้ผลในบททไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องได้ผลจากครับที่เราเือคอกู้เขามันก็เหมือนกันการช่วยเรื่อ ด้การ่างกายเนี่ยในทางวัตถุเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันดูไม่ง่ายไ ง, งอย่างคนเป็นโกบาอาจารย์สอนก็ โ, ง โ, ง โ, ง โ, งโงกงโกงโกงโกดูตัวเองสอนไม่เอมจอครับโง่จริงๆนั่นสิสอนไม่ได้ผลแล้วมันกลายเป็นอย่างนั้นไป ม, นมันมันมีไอ้เหตุปัจจัยอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีถึงไ้เราไม่รู้เนี่ยเราถึงไม่กล้าที่จะเลือกหมายใจไงว่าเรามีปัญหาอย่างนี้ แนวความคิดเราเนี่ยคนนี้น่าจะช่วยคนนี้ตั้งใจจะช่วยแต่เขากินช่วยไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ยังช่วยไม่ได้เลยคนช่วยกลับต้องเป็นคนอื่นไ อ, ไอ้เราคนช่วยแล้วบาทีคนมาช่วยวเรายังไม่ได้ตั้งใ จ, จช่วยเลยเนี่ยมันตกก็ได้ปล่อยโจรมาทำไมรู้ก็เลยต้องมาดูแลแก้ไขรอ้มันเป็นบุ ป, ปรบกรรมมเป็นบุ ป, ปรบกรรมที่เกื้อกูลกันไว้ ก็เนี่ยพอเรารู้หลักตัวเนี้ยเราถึงพยายามที่จะไม่เอาให้กิเลสของเราเนี่ยเข้าไปฝืนเนี่ยก็จะต้องคนนี้จะต้องอย่างนี้เรื่องไม่ไปฝืนทําให้เป็นอิสระปลงจากความรึษและให้ธรรมะเนี่ยเขาจัดกระแสเหตุปัจจัยให้ให้เดินตามเส้นทางของเขาแล้วมันก็จะออกมาดีก็่ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยไอ้คนที่เราเลือกเป็นคู่ครองเนี่ยแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เนื้อคู่เราเลย ทั้งที่พ่แม่ทั้งสองฝ่ายโอ้โเชียรกันเป็นกองเลยอะไรก็เท่ากันหมดทุกอย่างหัวใจสมัยเหมือนจ ะ, อะชอบกันรักกันแต่เอาเขาจริงไม่ใช่เนื้อคู่เพราะไอ้ของที่ไอ้เห็เนี่ยมันตกตาข้างนอกเปลือนอกแต่พอโลลึกเนี่ยไม่ใช่มันกลายเป็นเป็นอีกคนมันก็มีอย่างนี้ แต่ว่าถ้าหลมตัวแต่งไปแล้วก็กลมนากรมสาแต่ทําำให้มันเป็นไม่กู้ตัวก็เลย น, นะฮะฮะว่าไงนะงก็เราก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วนะทําให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อไว้ว่ามันก็ต้องปล่อยนะที่ผมที่ว่าเนี่ต้องปล่อยปล่อยให้เผื่อให้เหตุปัจจัยด้วยแต่ไม่ใช่เราไ ป, ไปพยายามคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือมันจะเป็นยังไงเนี่ยให้มันเป็นไปตามกระบวนการเหตุ แล้วมันจะออกมาในขณะที่ทุกๆคนไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุด<ม>ก็ไม่ต้องอะไรเลยครับขนาดคนเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเนื่อแท้แล้วไม่ใช่พ่อแม่ลูกกันนะก็ยังมีเลยนะมันเป็นคู่เร่กันมา ก, ก่อนนะเกิดมาในปร่เทศพม่าก็เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วนะถ้าโสน้อยเข้ามาเนี่ย ล, ลูกปลอมพ่อปลอมแม่ปลอมแ ท, ท้ีจริงแล้วคือศัตรู คือศัตรูกเกิดมาเนี่ยโหมาทำร้ายกันจีงนนิงีนะถึงเมื่อที่อยู่แล้วมาเลเือใช่ไหมไอ้คนที่เย็นเห็นเนี่ยก็ไปเจอจริงๆบางทีโอ้โห โ, โ ม, มากเจนนิกคระนะยังท่านเจ้าพนอท่านใช้คำว่าอาธิฐานจิตเนี่ย่ก็ ค, คือแผนิกาด้หรือเปล่า การแผ่เมตตาเนี่ยนะมันก็คือการส่งความคิดไปได้การอาธิษฐานหมายถึงเอาพลังสมาธิพลังบุญพลังเมตตาพลังความเียอะไรก็ได้มากำหนดจิตลงไปทีแต่เพราะแผ่แบบนี้อธิษฐานเป็นตัว อ, อย่างนี่นะแล้วเราแผ่ไปเนี่ยแล้วก็อธิษฐานไปด้วยหรือแผ่แล้วอธิษฐานก็แล้วแต่นี่นะเรืออธิษฐานก่อนแล้วก็แผ่ส่งตามหลังไปได้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นอธิษฐานปัดเปังทุกข์หรืออธิษฐานเพื่อ อย่างใดงอย่างหนึง่งน ะ, ะอธิษฐานปกเศษก็ได้ละก็ได้เป็นอธิษฐานนะขอให้พระเครื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์มีพลังทางเมตตาแห่เข้าไปไปเข้าไปนีคือตัวอธิษฐานอธิษฐานนั่นนะแต่ใช้เมตตาเป็นพลังได้แล้วก็ใช้อย่างอื่นเป็นพลังก็ได้เรียว่าเมตตาแต่บางทีท่านพูดาากกามาหักความมเอาอธิษฐานแล้ว<ะ>ท่านดูเมตตาแล้วท่านซ้อบเมตตา ถ้ามันตัง้งแบบดได้อะไรไม่ทาบค่ะตัง้งจแบบยังไงค่ะอันนี้ท่านไม่ได้สอนเลยผมไม่ทราบเลยน ะ, ะมีคนพยายามเขียรนรายละเอียดส่คนตั่งใจดวนแล้วคุณพระท่านบุญโยงอะละท่านจะเขียนหนังตือสมัยบ่วนท่า น, นกุฏิอยู่ใกล้ๆกันเลยก็ตามพูดคุยแล้วก็แอบแอบเก็บข้อมูลไว้ เราลงไอยากจะเขียนตั้งแต่นานแล้วตอนนี้ก็ไปบวชมาหน้าก็มีเวลาเขียนเขียนมาแล้วเรื่องเขียนเรื่องเจ้าคุณนองที่ยุคที่มีเคยเคยอ่านนะยังไยังอ่านแหละสนใจกับท่านท่านบวชแล้วนี่ใช่ไหนี่ก็เขียนมาเขียนเล่าถึงอะไรต่างๆผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าท่านได้เล่าถึงวิธีปฏิบัติอะไรยังไงบ้างแต่ว่าประวัติท่านเนี่ยอ่านมานาน แต่ว่าวิธีปฏิบัติท่านไม่ได้สอนว่าทา่านทำยังไงก็อาจจะเป็นวิธี5มี่จะเรื่องการใช้พ ล, ลังของท่านในเรื่องประแจกต่างๆนีสูงไม่ที่ว่าจีเหนื่อยไหมค่เหนื่อยอ่ะขบวนการ ที่บาญารใจอาจบรรลุอะไรเนี่ยนะคือมีเป็นคนที่มีความรักีย่าปล่อยวางนี่แหละครับมันยอดของความรักธรรมดารักอย่างปล่อยวางที่อภรรยานจะบอกไหลายๆคนที่มีปัญญาภูติยังมีปัญหาเรื่องลูกลูกลกประเภทลูกเดือดลูกเดรูกหลังกับลูกคนเดียวเจ็บปวดมากแม่ก็เข่าว่า แล้วก็เลยตอนนี้หน้าสูบฝีมานานแกนะเนี่ยก็เลยเพราะเนี่ยมันพิสูจน์ว่าเราขนาดไหนขนาดไหนหมายถึงธรรมะเราขนาดไหนเราทําได้แค่ไหนและไอ้ข้อบกพร่องของธรรมะเราเวลาเนี่ยมันคืออะไรมันแสดงให้เห็นแล้วแต่ที่อันหนึ่งก็คือว่าเขาต้องรับอย่างปล่อยวางเนี่ยผู้ไปผู้มาเดี๋ยวเราบอกเนี่ยชีวิตเขาหน้าจะประสบความสาเร็จในลำเรียนได้อย่างงอย่างนี้ เปอย่างนี้ไปได้คือพูดนะมันหมายว่าเกิดปฏิฆาผมไม่สมหวังนะแต่ว่าเวลาคุยก็มันเหมือนก็มีเมตตาแต่บอกว่าไม่ใช่หรอมันไอเมตตาเนี่ยมันมีแต่ว่าเราเนี่ยต้องปล่อยต้องตัดหางปล่อยวัดแต่ไม่ได้หมายปล่อยปลาละเลยผมก็บอกนี่นะคือต้องให้ธรรมะ ก, ก็ดูแลแ ล, แล้วก็ตัดเชื้อพิเลสเน่ยแ ล, แล้วก็ต้องตรงว่าเนี่ยละทุกอย่างเนี่ย มาอาจจะแก้ไขได้ไม่ได้แก่ไหนก็ตามแต่อย่างน้อยก็อยากให้มันมาไหมเราเราต้องมีความสุกแต่พวขกข้อจริงๆมืออยู่ในวิสัยจะแก้ไขได้ก็บอกไว้าตอนนี้มันเป็นช่วงตอนหนึ่งของชะตากรรมเร า, าบอกอ่านเราดื้อเปล่าล่ะเร า, เรามันดื้อทําไมทําไมยังเป็นโรค อ, นะอ่ะนะดื้อบอกนั่นแหละอในี่ก็บอกแม่ก็ให้นั่นแหละเราก็คูณไปสิบเท่าคูณไปสิบเท่า พอเราทำกับพ่อแม่เนี่ยคูณสิบเ น, นี่อาจจะน้อยไป น, นิดดังแตนะ<ะ>่ก็ก็พอได้แต่ว่ามันก็ต้องได้ผมมันก็ต้องออกไปตามคิวสิตอนนี้ถึงถูวเขานี่เราก็ต้องทําชดเชยแต่ว่าก็ผมก็บอกว่าวันนี้ก็ว่าตามที่เป็นความคือไม่นานนะไม่ต้องตกใจหรอกอีกหน่อยแล้วจะกลับมาเรี้ยง fat. ตอนนี้ก็ตัดใจปล่อยไป ไอ้ที่เราคิคดตรงโน้นนี้มันเป็นความผิดแค่ตัวเรานะเห็นแโอ โ, อโอ ไ, ไปไหนใครก็จะหนีว่าไปไงโลกคุยนะักคุยหนาอะไรละเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไปไหนีนี้เ็ยังไงโอโห่เสียหน้าเสี ย, ยทั้งใจเสียทั้งหน้ า, นาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยอกเออก็ยังไงทใจให้หมันงบไว้เอาไว้กินน้าบ่อนนะใช้ธรรมะใช้ธรรมะที่เรามีอยู่นี่ฮฮะ ทินเนี่ยเขาเขาพอจะเข้าใจธรงมะแต่ว่าบางทีไม่ได้เอามาใช้ในในตรงนี้อะ่ะ ใ, ใช้พุทธในเชิงย่อยบ่เกิดปัญหาขึงนก็โอ้ตั้งตัวไม่ติดที่ไม่ได้นอนไม่หลับก็อยู่ในภาวะที่ที่มีความทุกข์ลกดื้อเขาบกว่ลูกลูกดื้อลกตายดีกวลกดือกดอกดอกด้อนะนี่ถ้าใครมีโลกดื้อคนตายคนในคงเพียบ อันไหนจะดีกว่าลูกเด็นีปวดหัวมากแต่เราก็คงจะจําได้ละขนาดโลกในพลเอกคนหนึ่งเคยเชื่ทุกคนก็รู้ยังตัดหางปล่อยวัดตัดจริงๆริงนะเหลือเชื่อมากตอนนี้ตอบทำไมว่าใครตัดเลยเผมไม่ท่าไปละเอียดไม่ท่าไปละเอียดแต่โอ้โหแต่ตัดจริงจรนะิง ตัดแบบไม่มีเยื่อใยแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการตัดทางธรรมะเนี่ยคือตัดความยึดโปร่งเสยแล้วก็ให้การให้เยื่อใยท า, างธรรมะอันนี้จะเกื้อกูลกันอื่นครับถ้าเราก็ใจเรื่องการเรื่องอะไรเนี่ยนะไอ้คนริ่งลับพ่อกับแม่ยังเขียนมาสามสองสาคนแล้วโอ้โหซาตงสารมันชอกช้ำมากคือเคยเล่าสมัยก่อนก็มีที่พูดเรื่องมีบุตรทำพุทธิ์ที่เป็นอาเสีย ก็รู้จักเขาทั้งบ้านไงเจ้าชายคนโตก็เป็นที่มุ่นหวังทุกอย่างืจ้างมันเท่าไหร่มันก็ไม่หายดื้อซื้รถเดินให้มันขี่มันก็ไม่หายดื้อเหมือนยิงดูมาคืใช้เลยไปเคมือนที่ความเป็นใส่ไปทั่งตรงมันไปเดนมุมนอกโอ้โหมันก็ไปดื้อมุมนอจับมันแต่งงานก็ดีเนี่ยอาเสียคนหนึ่งไปแล้วบังค่ มันเนี่ยผมกึงสกิดเนีถึงเึ็ดได้าอ๋อเขาดือกระเตียนออามาแต่เขาก็ออ้อนอยู่ผมมัไม่ถึงข น, นาดนี้นะครับบอกนั้นแหละคนต้องทนไปอีกสีบเท่าอีกสีบเท่ า, า, ท า, า ก, ก็เราทำกับพ่อกับแม่เราดื้ดื้อกับโรงพั ก, ก, กนี่มันไ้บาทไรหรดืกับพ่อแม่เนี่ยบาสเยอะ โดยวิปัฒ น, นาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับกรรมฐานให้กับเมตตาผนละก็ไม่ยึดคนก็ไม่ยึดธรรมะของเราก็ไม่ยึดผลของที่เราจะได้ก็ไม่ยึดสิ่งื่จะได้ก็ไม่ยึด่อยง่า ย, แ ต, ยาแต่ทํายากแต่ทํายากใช่ไหมแต่นี่ว่าไม่ใช่ว่าคน ถ้อเวลาสอนคนเนี่ย <c oughs> เราต้องเก็เลยถ้าสอนแบบลึดเนี่ยน่ะเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยเราบอกว่าต้องอเป็นบอกกล่อมแล้ววิธีการสอนถ้ามันมีความยึดติดเนี่ยพลังการสอนน้อยอ่าบางคนนี่เขถึงมาถามเอ๊ะทาไมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคนข้างโลกไม่เคยเชื่อใอครเลย เวลาจะอะไรก็ต้องมักมาเนี่ยมันก็เป็เรื่องไอ้แล้วทําไมมาเชื่อบางคนอย่างนะี้นะผมผไม่อยากเล่าชาตแล้ก็มีคำอย่ารู้ว่าทำไมถึงม่เชื่อบางคนแล้วก็คนที่เขาควรนไปเชื่อนะโอ้มันอะไรอะไรมันน่าเชื่อทางเยอะแยะทาไมมาเชื่อบางคนผมก็บอกบอกทั้งคนเชื่อและคนที่เขาอยากจะให้เชื่อ ว่าถ้าเรายังมีความอยากอยู่นะยิ่งอยากยิ่งตอนหน้าตอนหลังยิ่งชักแม่น้ำตั้งห้าแล้วความอยากเป็นเรื่องความอยากให้เชื่อเขายิ่งไม่เชื่อยิ่งไปเจอคนที่คือระละังคือต้องสอนแบบทิ้งที้งที่ไม่ใี่โทรศัพทะให้เขาได้พึ่งตัวเขาเองได้ใช้ความพิจเราแบเราไม่ง้อคุณเชื่อผมผมก็แขวนใแขนนั้นคุณไม่เชื่อผมโม่แขนนะคือต้องอย่างเนี้ย มันเหมือนเล่นตัวแต่เราไม่ได้เล่นตัวหรอกเพราะว่าคือเราอาจจะว่าเราหัดไม่ยึดตือหัดไม่ยึดตือในเรื่องใครก็จะเชื่อไม่เชื่อใครจะคิดแตกต่างจากเราใครก็ยังไงแม้แต่แต่เราเอาความจริงใจแล้วก็การนําเสนอไอ้ไอข้อ ค, คิดใดต่างๆเนี้ใครไม่ชัดเนจเเ น, น, นกับเขาคีดเหตุคิดผลแล้วก็ฟังแล้วก็จะยังไงช้าจอย่างนี้ก็จะดี แต่รู้ห ม, มายว่าคมบางคนนะบางชนิดแต่ไม่เหตุลึกในผมว่าบางทีมันไม่ใช่แค่การแสดงออกนะแต่ ว, ว่ามันมีอะไรอย่างอื่นด้วยแต่การแสดงออกก็มีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันท่านคนที่ผูหลักผู้ใหญ่ที่มีเมตตาและมีฝรังเนีผมก็สังเกตนะตัแต่เด็กๆกว่านะบางคนถ้มีเมตตาโหจะตีขอบเนกระทั้งก็เด็กไม่ได้ไนงะ เราก็อุตส่าห์มันจะซื้อของเล่นให้เราเล่นเงนี้ยตราเนี้ต้องเล่นให้ได้หกเดือนเนี่ยให้เราก็ไมอยากได้อลไรที่มันละเรามาคนชอบเล่นเป็นคนชอบเล่นชอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาหอกเราหาอาีกฝั่งอ่า <c ười> ให้เราจะให้ของไก่ยังไงเอเออ้าวไม่มีที่ฟังธรรมะเลยเอ้าวให้เครื่อง ยืมแต่ว่าพังเมื่อไหร่กามาคืนนะครับพังเมื่อไหร่ก็มาคืนะก็พูดเป็นเล่นๆ น, นะนนก็หมายความว่าถ้าให้ยืมก็าอาจจะรู้สึกว่าเอาใจใสห่หน่อยอะไรหน่อยนะแต่ว่าพังเมื่อไหร่มาคยก็สมมติว่าเ็เหมือนเราให้เขานะจะพูดเป็นที่เล่นจริงๆไปงั้นก็ได้สึกว่าเราก็ไม่ถูกไม่ถูกอ่บังคับนะดูเมตตาอย่างนี้นเมตายยามตาแบบปล่อปล่อย พ่อกับแม่เนี่ยแล้วก็สังเกตเออทำไมบางรายเนี่ยแม่สอนลูกเชื่อพ่อสอนลูกไม่เชื่อบางรายพ่อสอนออกับแม่ผลออดีไปกับเลูกว่าละลาวแต่มองดูแล้วเนี่ยให้ความหัดจากความยึดติดเนี่ยความเท่าร้อนเท่ามองเนี่ยมันทำลายทำลายความน้อมรับของคนไม่ใช่น้อยนะ ว่าบางคนก็ต้องใช้การควบคุมอันนี้ก็อาจจะมีเป็นบังการณ์บางคนที่เขาต้องการปูพิงเข า, ข า, าก็อจาจจะก่อแจแล้วก็ได้ควบคุมก็ได้เยอะหน่อยแต่ที่เขาต้องการอีกสาาระต้องให้เขาก็เลยเป็นาอันว่าเราไม่แกแก้ปัญหาตัวปัญหาเราก็ไม่ยึดเึรื่งแก้เราก็ไม่ยึดผลที่ได้ก็ไม่ยึดมันก็เป็นอิสระนะ ได้ก็ไม่ลมําพองไม่ได้ก็ไม่เสียใจความสมบูร์ของเมตตาเกิดขึ้นจากอย่างนี้แล้วก็ไอความสมบูร์ของผลที่ควรจะเกิดอย่างไรนั้น <c oughs> ก็จะเกิดอย่างพอเหมาะเอมสมตามเหตุปัจจัยของมัน <c oughs> ทีนี้ตอนหลังของสูตรที่บอกว่าถ้าหวังจะสําคัญสิ่งปฏิคุณหรือไม่ปฏิคุณถ <c oughs> ึงปฏิคุณหรือไม่ปฏิคุณนี่นนะฮะ เป็นสำนวนที่ฟังยากแต่ว่าอธิบายน้ยวก็เข้าใจทันทีว่าคนที่จเจริญเมตตาแผ่เมตตาจนบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเวลาคนแผ่เมตตาเนี่ยเขาถือว่าแผ่ความรู้สึกว่างงามให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นจริงนะคนมีเมตตาต่อสัตว์เนี่ยมือ่าน่ารักจริงจริงหสเดือนก็น่ารัก น่ารักไม่ใช่ในความโลภเนะี่ยเป็นภาษาของความสวยของคนมีเมตตาเนี่ยมองค น, อนสวยหมดไอ้ไอ้โลกด้วยความกำลังซึ่งเนี่ยมันยังมีข้อจกัดเยอะบางทีมองคนสวยด้วยความกำลัเนี่ยบางทียกตัวยอย่างง่ายๆเนี่ยบางคนหรือพี่คนง่ายๆพี่คนพิการใครก็จะว่าหน้ามันลิ้นมั้างพ่อแม่ก็ ว, ว่าสวย <c oughs> แต่ว่า ไอสัตว์บางชนิดตัวว่ดสวยตัดว์บางชนิดว่าใหม่สวยบางคนเนี่ยงเรี่ยงเกี่ยวคอมาพันคอเออเขาก็รู้สกว่าสวยเคยเห็นไหมไปที่ห้างหนึ่งให้เราก็มองคนก็มองกรใหญ่มองอะไรผู้หญิงสาวคนหนึ่งรองเท้าก็รองเท้าหนังูเหลือมงูเหลือมบางไม่รู้นะูไม่ได้หนังเหลือมกเป๋าก็เป๋าหนังูเหลือให้เครื่องหนังมีตัวไปนงเหลือมหมดเสื้อตั๊กทั้งนอกก็หนังเหลือ นี้หนำตันที่คอแต่ยังมีเหลืองตัวติดพันคออยู่ที่เราก็มอเนีนอายุรักยี่สิบห้าี่วกเนี่ยแค่ถ้ามันนั่งกินใอ้จะกลิ้นที่ร้าไนไอเสตกลิ้นอยู่หลังคนก็มองอย่างเราเลยมองตามแกไม่มีเวล า, าไม่กล้าไปคุยด้วย เราถูเลยสั่งเงินเหลือไม่มารับตัวเราไปกินเยอ้ก เ, เรารก็ๆๆงงมาไม่ได้แค่ก่อนจะเคยเคยเป็นมอรูมาได้ยังไงนนะกน่าตายาก็คนสมัยใหม่นคนแบบสาวสมัยใหม่ไอ้เอ้าเด็กนี่นคนที่รักสัตว์เนี่ยถ้าจะมองสัตว์ามากักหมดลักสุนักเนี่ยมีมลักไปหมดที่โนที่โนนลักหมดต้องท้าให้มองเห็นมาแล้ว เม่ตาหรือความรู้สึกเป็นกรรมฐ า, านที่ทําให้เกิดศาสนาคติต่อผู้อื่นว่างางางามแบบให้ความรู้สึกได้เมตตามันไม่ใช่เรื่องแล้วบางทีเหมือนไอ้คนคนวิการเนี่ยกลับสวยอมเหมือนว่าคนที่มีเมตตาเห็นขอทานเห็นคนวิการมันอมองยังไะมันเอกะยังกเองอะเจอดารานะฮะมองมาด้วยความรู้สึกสงสารรักใคร่ บางทีก็ตึนตัวรุนเนี้ยเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าไม่จะเห็นนั่นหล่เพราะว่าไอความไม่ตามันเข้ามาควบคุมคุ้มองเนีน่นะฮะเจตุจาระปัสสาวะอะไรก็ได้ไม่รู้สึกอย่างไรไม่ตาจึงให้ความรู้สึกเห็นว่าไม่ปฏิกุูนะทีนี้พอคนมาทำวิปัสนาเนี่ยมันลองแบบแล้วว่าไม่เทียง เกิดแก่เปียดตายไม่เที่ยงอนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของความปฏิกรูนนะคนเห็นพระไกรรับได้เนี่ยคือว่าเห็นความปฏิกรถึงเนื้อในทุกอย่างเท่ากันหมดมงเมตตาเนี่ยทุกคนเท่ากันหมดถ้ามีความรักเลยมีเมตตาขั้นฌานเนี่ยเสมอกันหมดเป็นอัปนาเป็นอาปมัญญาเท่ากันหมดดงนี้ถ้าคนเห็นอนิจังเนี่ยทุกคนน่าเกิดเท่ากันหมด หรือสารเทวดานางกว้านางแม่นาเกิดหมกเป็นปฏิกูลแต่เป็นความน่าเกิดที่ไม่ได้เกิดในความเกิดตัวนั้นคนที่บรรลุวิปัสสนาด้วยเมตตาเนี่ยปรับทัศนคติต่อสัตวได้สองระบบคือระบบปฏิกูลกับระบบเมตตาจึงทําให้เกิดภาวะสมบุรขึ้นโดยอัตโนมัติในที่ผมว่าเมื่อกี้ว่า ถาบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะสร้างพัฒนากติอันนี้มาตั้นอะไรบางอย่างเนี่ยนะเราก็สร้างพัฒนาสติอันนี้มากันคืเนเอเรียกว่าโดยบุคลิกของคนเนี่ยมันต้องมีลักษณะของความยิ้มเป็นแล้วก็กางวางหน้าสกลุมเป็นนะบางเรื่องเนี่ยต้องวางหน้ากลุ่มไม่ได้ยิ้มตลอดยิ้ตลอดมันก็ก็ดีด้านเดียวอะก็ไม่ได้เลวแต่ว่าดีด้านเดียว แต่ว่าถ้ามีเมตตานในบางทีเรือกว่ามีการปรับเปลี่ยนความรู้สึกไปตามสภาพที่เหมาะสมก็มันก็เลยกลายเป็นดุลที่ทำให้ไอ้ความน่าบึงเนี่ยกระทำให้คนไม่กล้ารละละลาะระรบละลวงปัญหาบางอย่างไม่ไม่รุ่มเกินเรานะแต่พราะว่าเราเรายังอยู่ระดับต่ำเน่ น, นะถ้าเรามีแต่เมตตาเนี่ยแบบโลยะแล้วไม่มีพิจาณาไม่เข้าใจอะไรเนี่ยความไม่เที่ยง นี่มันมเลื่อนถึงัหมดเนี่ยเราจะต้องเป็นไปได้ทุกแน่นอนจริงไหมต้องเป็นไปได้ทุกแน่นอนเลย mm hmm. เพราะว่าโอ้ใครเห็นใครก็อยากจะช่วยหมดอยากจะสมพระหคสหมดเลยทําให้บางคนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นทึ่เป็นเรื่องจริงๆของคนใกล้คิดคนหนึ่งเห็นใครก็อยากช่วยหมดจึงเป็น mm hmm. เรื่องเป็นจอมโจรเก่งจะช่วยไม่รู้ีใน มันเลยเกิดไอ้แรงดุริศรับแล้วทำไม่ได้บ่อะไรบ่โอ้เลยประสาทจะกินเอาก็เลยบอกเนี้ยเราไม่ได้นันโดดเห็นอะไรก็บางทีก็ไปตามความรักความปรารถนาดีแต่เพียงอย่างเดียวไม่ฟังเสียงอย่างอื่นห้าแล้วบางรายที่ช่วยก็ได้แค่นี้ต่อไปแนละ้วมันมันต้องล่มสลายเราต้องเข้าใจด้วย ว่ช่วยได้แค่ไหนยังไงเนี่ยบางทีช่วยตอนนี้ไม่ได้เพรปถึงขั้นนี้เป็นไปได้เราก็จะได้มองเห็นที่มาที่ไปของมันได้วางแล้วก็ทําให้คนที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้องวางด้วยเรลาวางคนหนึ่งก็วางทั้งนี้มันก็จะชัดนะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปรับฝากใครสักคนเนี่ยที่เขาไป่รู้ความหมาบอกวุนี่ไม่ได้แน่นอนว่าต้อเป็นการช่วยจะเอากี่ล้านบอกมาอีกเจ็ดวันจะเห็นแค่ๆต้องมาหน้าตาปุ๋งเนี้ย แต่ว่าถ้าเขาไอ้ตัณหาก็เกิดใช่ไหมนะให้เราก็มีเงื่อนไขที่จะร่อแหลมกระตุกเขาก็มีเงื่อนไขแต่ถ้าบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะดูข้อมูลดีหรื อ, อยังไหนเราที่แจ้งข้อมูลหน่อยที่นเป็นยังไงติดตั้ตรงไหนจะแก้ไขตรงไหนได้เมื่อไหร่นะอย่างนู้อย่างนี้เนี้ยกระทั่งว่า เ, ออเราต้องไม่หวังมากนะไม่อะไรมากมันก็ทําให้คนเนี่ยเริ่อปล่อยใช่ไหม เริ่มนิ่งเริ่มปล่อยมันกลับจะดีครับเป็นยุสเลยเป็นสาระตรงนี้ที่ว่าโดยสรุกนะการที่คนเจริญสมาธิด้วยการเพ่งกับส่งสีสวยสต่างๆ ก, ก็ดี การที่บุคคลแผลเมตตากรุณามุติตาเบิดขากรดีเนี่ยนะแต่เมตตากรุณาโมติตาเบิดขาด้ยังไม่ใช่ท่านเรือกว่าเป็นสุกอวิโมกข์เป็นฌานที่มีอารมณ์ลาลโลกโลกว่าสวยก็ะฉะนั้นไอ้สุนทรียาภาพจึงถูกแบ่งเป็นสองสิธในพระพุทธศาสนาอันหนึ่งคือสุนทรียาภาพของกุศ ล, ลธรรมนะ อีกชั้นหนึ่งก็คือเรียกจะเรียกว่าไงดีที่ทั้งโลกมันมีคุณค่ยภาพของทั้งโลกมันมีราคาก็าเป็นเย้าของเรื่องคุณค่ยภาพในทางธรรมนี่นก็มีเมตตามีความรู้สึกที่เป็นกุศลไดนเนี่ยศรัทธาปัสาะอะไร น, นะเป็นเจ้าของเรื่องทีนี้ถ้าเป็นความรู้สึกในทางที่ไม่ใช่คุณะ่าภาพเราจะเรียกว่าในดีนี่ว่าเป็นมองเห็นโลกเป็นทุกนะคะ หรือว่ามองโลกในแง่ร้ายมองสิ่งทั้งหลายในแง่ร้ายก็มีเป็นสองอด้วยโทสะกับดยปัญญาที่เกี่ยวกับความเบื่อหน่ายใรกัมหนักนี่นะสองอย่างนี้มีผลแยกกันเป็น ส, สองก็คือว่าถ้ามองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายด้วยโลภะโทสะแล้วมี่คือเป็น ละอรหันเนี่ยท่านก็มีโลภะทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคนน้องโลกในแง่ร้ายว่าปกติว่าปฏิคุณเสียอย่างเดียวนะะท่านจะมีความคิดในทางรักทางสวยสๆเงา ม, งามที่เป็นสุดที่สุดศักยภาพของผู้ที่หมดกิเลสมันก็ซ่อนกันอยู่บางทีกิเลสมัน ว, ว่าไม่สุนทรีแต่พอมาเป็นกุศลเขาว่าสุนทรี บางอย่างทางโลกว่าเป็นสุนทรีมองในทัศนคตงทางธรรมะกับเป็นสิ่งไม่สุนทรีแบบธรรมะใช่ไหมครับไอ้อย่างไอ้ไอ้ก็มีในการแสดงประเภทลองเทงประกอบขึ้นไอ้ที่เขียนหนังสือใด้ใสกันเนี่ยแล้ที่ไม่ออกทีผมก็ามายายามจะดูมั น, นกำหนดตรงไหนไอ้ที่เด็กๆลุ่งๆก็ชอบดูกันนะสู้นะ นั่นแหละไอ้ที่เขาคิดแม้ต่วต่าเราเป็นตลาดเนี่ยอปลิดไปอะไรไปเห็นสักนิ้ว อ, ออกไปเราเปิดเิดก็พยายามดูท้วยไหมมันมันน่าสนุกตรงไหนดูแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอมันเจ็บให้ความรู้สึกอะไรในนี้เราก็ไม่ว่าคนอื่นนะแต่ว่าเออเราคงหูไม่ถึงหูไม่ถึงตาไม่ถึงเนื้ออย่างตัวที่จบับจบต้อไอ้ว่ า, าหลกเราก็ไม่เห็นตลกอะไร บางทีมันชวนสุนทรเสด็จนาได้ด้วยกับการพูดจาแสดงออกอย่างนั้นถึงไม่ใช่เป็นเรื่องความเี่าวกายอะไรนะมันเหมือนไม่เห็นเด็กพูดอะไรเป็นเรื่องไร้สาระอะไรอย่างเนี้ยนะแต่นี่ไม่ได้ว่าเขาก็เวจรงแต่ว่าเราเราก็คิดแย่งหนึง่งถ้าเราเป็นเด็กพุดนั้นเราก็คงจะคิดกันเขา <S <S ผมจะเลยไปถึงตรงนี้ครับ ที่ท่านบอกว่ายังเป็นโลกียะเนี่ยหมายว่าใครที่ยังปฏิบัติวิปัสนาและไฟไม่รูงมุณหสุดท้ายปัญญาของผู้นั้นปัญญายาณในการเจริญเมตตาเนี่ยยังเป็นโลกียะหรือถ้าผู้ใดไปถึงก็ถูก็เป็นโลภุตระก็เลยอย่างนี้ครับ ที่แผ่เมตตาแล้วก็ไปเล่นธรรมวิปัสสนาด้วยเนี่ยจะมีพลังคุ้มครองตัวเองสองด้านคุ้มภายนอกคุ้มครองภายนอกด้วยเมตตาคุ้มครองภายในด้วยด้วยปัญญาด้วยอริยตาด้วยการปล่อยวางก็เลยขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าท่านจะเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้เติมสิ่งที่ขาด หนึ่งใครที่ทำวิปัฒนาให้เติมเมตตาลงไปจะได้มีผลด้า น, ด, านด้านโลกดีด้านนอกดีมีผลคุ้มครองด้านนอกดีมีเสรื่งเสริมด้านนอกดีใครที่แผลเมตตาต้องมีอารมณ์ทางวิปัฒนาที่ยังทุกขังหน้าตาจะได้เป็นตัวทานนะทานความติดเพราะเมตตาเนี่ยมันใกล้โลภะใช่ไหมละ่ะใกล้ความคิดที่จะเข้าแทรกมันจะได้เข้ามาทานตรงนี้ทําให้เรามีดุ มันเกิดอะไรขึ้นยังไงเนี้ยเราต่อยวางได้ดีและตรงนี้มันหมายความ่ามันเสริมเมตตานั่นเองครัไปดูอีกสูตหนึ่งพูดถึงในแง่วิบาสมากกี้เทียบคันสูตรแรกมาเทียบคันว่าเมตตามีสองคันตรงนี้เนียบวิบากของเมตตาวิบากสูงสุดือบาสมบูรณ์กว่เมตตาเนี่ยว่า คนที่แผ่เมตตาจนได้ฐานแล้วตายแล้วไปไหนไปเป็นเทวดาเหล่าครมกายิกาไอ้จนิสเป็นภาษากับแปลไปหมดหมายว่าเป็นเทวดาที่อยู่ในหมู่ลมเทวดาชั้นลมพูดง่ายๆนะฮะเอาละว่า <c oughs> ถ้า คนแถรเมตตาได้ทานแล่ไเป็นเทวดาจงหมดเป็นมือชั่วกับชั่วกันหรือไม่ชั่วกับชั่วกันบมดบุญก็ลงมาในโลกมนกุษย์หรือในอบายภูมิได้อีกนี่คือความไม่แน่นอนไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ปรัชนามัีจะเป็นตัวบอกว่าเอเนี่ยเราจะไปทุ่มเทหัวใจชุ่มแช่หมายมั่นในผลของเมตตาโลกิยะนี่ได้แค่น ี่เราก็พูดถึงว่าเมตตาไปทําให้เราได้เพื่อนเมตตาไปทําให้เราได้ลาบแก้ไขอะไรไดนะ้มันไม่ใช่ของยั่งยืนนะฮะมันมีอายุมีอะไรเขอามันบ้างการขนาไปเป็นไปเววสวยดวงอมตะบัตรแล้ยังไม่ยั่งยืนเราก็ต้องรู้อย่างนี้ดวงอมตะมบัตรมาจะไกลตัวเราหน่อยนะฮะแต่ระดับพระกับพราเนี่ท่านคุยกันได้เพราะท่านกระใจล้าลึกมองเห็นผลล้าลึกตายแล้วก็กลับมาอีก แต่ถ้าใครจะรินเมตตากระทั่งได้มรกได้ผลนี่ได้มรดิได้ผลก็จะมีสองระดับระดับที่ยังเกิดอีกกับระดับที่ไม่เกิดแล้วถ้าเป็นข้าราชกก็เปรียิพ่านไปเลยถ้าเป็นพระอริยะต่ำกว่านั้นได้ทานด้วยก็ไปเกิดเป็นลมแต่เมื่อไปเกิดเป็นลมแลวเนี่ย อิปัฒนามรรคผลที่ได้ติดตัวไปเนี่ยเป็นตัวคุ้มครองเป็นตัวรับรื้ไม่ให้กลับมาถึงอวัยวุติดดต่อได้เลยไม่มาอบัยวุตินี่เป็นข้อแตกต่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยท่านคนที่เขาเขาได้ญาณเนี่ยเขาล่นเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนของเขาแทนที่ไม่อยู่ต่อนหน้าไงสมมติมทีนี้นะว่าเรา ถูหวยเรารว้เนี่ยอีกเจ็วันเรืรวดนี้เราจะถูหวยรางวัลที่1นแบบยกชุดกี่ล้านก็มไม่รู้แต่พอถูหวยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตายหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเพราะ้เหตุอื่นนึกว่าเพราะเหตุจากวยก็แล้วแต่ตายเสร็จแล้วก็ไปเป็นในรายรก็ไไปเป็นงูเหลือมไปเป็นเปนเรตมาเฝ้าเนในธนาคาร ผู้กครอะไราไปใช้แล้วเสร็จแล้วก็อใช้กรรมหมดอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกและจำว่าคือถ้งมองตลอดเนี่ยมันจะไม่เคยเกิดความมีเดีคือไอ้ตรงนี้เนี่ยผมมา่ก่อนที่ผมทํางานทานําการแล้วก็มีอะไราย ไ, ได้ผมจะมองไอ้รายได้ทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบล่วงานว่าเดือนนี้ผมจะมีรายได้เท่าไหร่นะจะรู้แล้วเมื่อไหร่จะได้ แล้วก็ได้แล้วเนี่ยควรจะไปใช้อะไรใช้อะไรแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมองเห็นที่สุดของมันหมดพราะรายได้มาเนี่ยเราเฉยจริ่นะคือไม่ตื่นเต้นเพราะว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ <c ười> รู้รู้ไวๆตรงนี้ไป็นยนนะงน่งนี้เสร็จแล้วก็ไปดังนั้นเราก็ก็ไม่นู้สิละแต่ถ้าเงินที่เราเก็บเนี่ยมันก็มองล่วงหน้า ที่ทางที่เราซื้อไว้เราก็มองลงหน้าวะ่ะถึงเราจะเลิกว่าเราจะขอเป็นใช้เป็นที่หรือเป็นเรือนตายรู้สึก็ตายตายแล้วไปไหนเราจะเอาที่ตรงไหนไปได้เราจะมาเป็นปีตุ๋งโสมเป่าทรัพย์อีกไหมเอาไหมอะไรเงี้ยมนะันก็มองมองเลยแบบนี้นนะคือจากไอ้ความเชื่อกฎแห่งกรรมอะไรแต่หลายเท่าเดียวเราบอรู้ได้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกไม่อยากจะตื่นเต้นอย่างไรไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น ก็แี่ทําให้เราเนี่ยลึกแสวงหาสิ่งที่เป็นตาระมากกว่าขึ้นไปตามลำดับตามลาดับนี่แหละทีนี้คนที่เขาอยู่ในโลกกรรมฐานเนี่ยเขาคุยอะไรกันแบบไกลๆแบบพวกเหมือนแบบจบจอนาคตศาสตร์อะไรเงี้ยเลยรวมรวมไปถึงสมัยใหม่เนี่ยก็คุยกันลึกๆแบบพวกเนวงสนทนาของพวกนักนิยายวิทยาศาสตนะคุยแบบเราฟังแล้วเราก็ไปไม่ถึงเขาคุยกันโหไปยังไหนก็ไม่รู้นะ ถ้าสมมเรามีคนอย่างใครตายสักสิบคนมาตั้งบกันนี่นะก <c oughs> ็คงคุยใช่ไหมทั้งเราตามไม่ทันเราเรื่อเร่บ้าลวงน่าเลย <c oughs> โอ้โหมันจะเป็นยางไงเป็นอย่างไรเราคุยกันเนี่ยพูดเป็ น, นแบบ ถ, ถ้าตามทันก็สนุกกับเขาไปด้วยปัญญากรได้รับพัฒนาไปด้วย <c oughs> ทีนี้ถ้าตามไม่ทันกันปลายปเป็นรื่อโอ้นี่งนี้มันบ้าทั้งโบก <c oughs> แต่วงพระอราหันต์คุยกันนะ ค็ยเรื่องอะไรก็ม่รู้เหมือนเหมือนวงของคนที่พูดเรื่องนอกว่าป่าเกิมพะผาไม่ต้องอะไรอย่างขนาดคนที่ที่มีธรรมะเนี่ยเชื่อไหมคทํบว่าบางอย่างที่คุยกันวันนี้จริงจริงในประสบการณ์ผมกับบางคนเนี่ยนะคุยเป็นข้ามชาติคุยเป็นข้ามชาติเลยแล้วข้ออ้างเราข้ามชาติก่อนไปคุยใอะไรก็ฟังได้เนี่ยนะ ในขนาดพูดแค่ผลผลนี้ยังฟังแลวง้วไม่ใจตืดดูดูอยู่ <c oughs> เลยไม่กล้าหางว่ากัใครยังไงก็ <c oughs> เลยบอกเอเรื่องนี้ดีหรือคยไงดีจ๊ะ น, นะบางทีหลุดไปก็ยังว่าบาปานะบาจะเป็นใหญนะ่เะยจริงๆอ่ะคุยเลยเลยชาินี้มากไปหน่อยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ ความรู้สึกอะไรเชื่อโดยความรู้สึกอะไรก็แล้แต่เนี่ยเหมือนไหลไหลกระแสเยื่อปัจจัยก็ทำให้คุยเกินไปอย่างนั้นได้ซึ่งมีวงสนธนาของพระอาจารไม่ใช่พระอาจรย์ที่ได้ชานอทินยาคุยกันอย่างนั้ว่าอีกเจ็ดวันแล้วมันนัดเจอกันใหม่แต่หมายเป็นกี่ชาติรู้ไหมเป็นสิบสิบชาติคุ ย, ยกันก็ว่าสิบวันเจ็ดวันนะได้มาเจอกันใหม่คือเขามองออกเลยตลอดเลยว่าเป็นยังไง แล้วก็ก็ได้มาเจอแล้วองมันมีอย่างนี้อะคุยเหมือนยกขั้นความหลัง เ, เราได้ตกลงล ก, กันไปแล้วได้นัดกันไปแล้วได้อะไรกเนแ้วเราก็ได้มาเจอกันแล้วอย่างเนี้ยใครจะมาเป็นปพยานไม่เห็นกับเขาได้ก็เราก็ต้องยกว่านั่นะเป็นภูมิปัญญาระดับนั้นของท่านเหล่านั้น mm. ที่มองทุกอย่างแบบไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้แค่ปัจจุบัน อย่างผูิบัญญาของสัตว์ทั่วไปมันเป็นไปได้ไหมที่เดราจฉานจะเป็นนอนเป็นมดเป็นปวกมันเจอแล้วว่าเจ็ดวันเจอกันใหม่นะมันสีทางจะเป็นไปได้ไหมถ้าพูดถึงโดยปกติเนะอีกเจ็ดวันมาเจอกันใหม่น่าอะไรเงี้ยมันคงมองไม่ออกนะว่าเจ็ดวันเจออะไมันไม่รู้อะเห็นมจไหมนะ ไอ้ตัดด้วยชานไม่ยามอาจจะพอรู้ได้เนี่นี่เทียบให้ฟังว่ามันมันเป็นลักษณะอย่างนี้าสูตรในเขาพูดแล้วก็ชี้ให้เห็นที่ไปพวกได้โลปิยะติย์เราได้เมตตาคุ้มครองได้มีอนิสงส์ได้เพียงระดับหนึ่งนี่มาดูเมตตาสูตรสอง ที่ท่านพูดถึงการแผ่เมตตาแนละต่อวิปัสนาในครับใครเคยได้ยินเรื่องทำฌานต่อวิปัสนาทำฌานแบบแผ่เมตตาต่อวิปัสนา t ี่คือหลักฐานนั้นเองแล้วเขาทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าฌานนี้ค้นแผ่เมตตาตอนนั้นมีขันห้าไหมฌานเป็นขันไหมเมตตาเป็นขันไหมเมตตาเป็นขันเมื่อเมตตาเป็นขันเป็นรูปเป็นนามเนี่ยเมตตาเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ดูเห็นความไม่เที่ยงของเมตตา เพื่อปลวกต่อยความยึดติดคุณธรรมันนั้นที่เป็นภายในของตัวก็พิจารณาเห็นเป็นในจังทุกขณ์ตาอย่างสมโภในนี้พูดว่าเมื่อแผ่เมตตาจนถึงอัปปนาแล้วเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดมีอยู่ในเมตตาฌานนั้นพิจารณาเห็นเป็นดังโรคดังหัวซีเป็นลูกซ้อนเป็นของตนได้ยาวเป็นของเบียดเปลี่ยนเป็นของไม่เชื่อฟังใครโตเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตัวตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทพเบาตรอาวุธก็คือนี่เมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยถ้ายังเกิดอีกก็ะถ้าเป็นท่านาคามีก็ไปอยู่บนนู้นถ้าเห็นอย่างนี้นะถ้ามาเห็นอย่างนี้ก็ก็ยังต้องเห็นว่าจะเกิดอยู่ในระดับต่ํา่ะก็เลยกลายเป็นว่า เราพูดถึงเรื่องเมตตาในชั้นแรกๆพระพุทธเจ้าสำแดงเมตตาในชั้นแรกๆภานาในสงฆ์กันแล้วกันนะแต่พอทําไปทํามาทําไปทํามาเนี่ยกลับพูดในทางให้ทิ้งความยึดติดที่เรามุง่งที่เราได้แล้วเพื่อเป็นการเลื่อนชั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นและ เพื่อเป็นการให้การคุ้มครองคุณสมบัตินั้นให้เป็นของมีอนุภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้นคนใดที่บรรลุว่าผลด้วยคุณสมบัติทางฌานแปดใดเนี่ยบรรลุแล้วคุณสมบัติทางฌานนั้นอยู่ตัวเมตตาอยู่ตัวคือว่าจะแผ่เมตตาแล้วต่อสมาธิจนได้มาผลเนี่ยเมตตานั้นอยู่ตัวเลยเหมือนจะแผ่เมตต า, าเหมือนทำฌานแล้วเป็นบาตรต่ออยรัฒ น, นานเนี่ย เอาชานใดเป็นบาทชานนั้นก็อยู่ตัวกับอุปกรณ์พ น, นั้นแต่ว่าถ้าเป็นโลภะเนี่ยเนะมตตาไม่อยู่ตัวเมื่อเราแพ่แทงเนี่ยเมื่อทีเมตตามันตีกลับเนี่ยกลับกลายเป็นคนใจคอเลือดเย็นเลยครับผมเคยยกตัวอย่างแล้วว่าคนเมตตาเมตตาแล้วเมตตาไม่เป็นเนี่ยบริหารไม่เป็นดีวางเล่งมามามาเรียปากมันไม่ยึงกำกัดเลย เลยกลายเป็นคนใจไม้แต่ละกรรมไม่ช่วยใครเลยผมคงเคยเล่าแล้วนะสองตำรายที่เห็นมาจะไม่รู้เล่าที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยที่ยังติดตาผมอยู่เนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่รางแหวนที่อยูเสียงหน้าตาผมจําได้สุกศยาใสกับผมดีแล้วก็เป็นคนข้างเนื้อส้าตัวมาจากไม่มีอะไรพอมันมีอะไรเข้าเนี่ยพอมีเงินญาติเข้ามากันเยอะโอ้ใจก็ใจดีอ่ะ ราล้มว่าเราเคยยากจนอดอยากมื่อก่อนก็อยากจะช่วยเพื่อนเอาเพื่อนมากู้บอามายืมบ้างอะไร บ, าบ้างปรากฏว่าแต่ละค น, นมันหักหลังหมดเลยเพรานั้นพอช่วยคนหนึ่งหักหลังคนสองหักหลังก็จะเมตตาน้อยลงน้อยลงจนมาถึงรายสุดท้ายบอกผมเลิกช่วยคนผมต้องกลายเป็นคนโหดเยี่ยมกับใครทั้งหลายใครมาขอผมแจะบางทีพูดจะเรียกว่า เหมือนดา่ากลับไปแต่ไม่ใช่ด่าหยาบค่ะแต่ละคนแต่ละคนก็เล่าให้ผมฟังเนี่ยคนไหนโต้ต อ, อบเขาไปยังไงยังไงเน่ยเก็รู้มาเยอะแล้ลแต่เนี่ยผมทํานี้ก็เสียดายผมไม่ได้มาพูดขี้แจงอะไรกับเขานะเพราะว่าตอนนั้นมันไอ้สถานการณ์มันไม่ให้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นความผิดของใครยังไงนะเนี่ยแต่ว่ายัางไงก็ตามเมถ้าช่วยกันไปแล้วนี่นะเขาหักหลังไปกะอีหน่อยก็ต้องมาใช้เราอยังนะ เรืนรรอนคำเมื่อมันลงผลก็ต้องมาได้เราเราพีอยงแต่ว่าเรารอไม่ได้นะเราต้องใช้การบริหารเมตตากันเสียตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ทำให้เมตตาเราเนี่ยมีเยื่อใยกับบุคคลเหล่านั้นมากขึ้นจะกับลูกหรือกัใครก็ตาม เห็นตรงนั้นไปทีนี้ก็มาพูดถึงเมตตาในแง่ของการละกิเลสที่พูดว่าพลังเมตตาโดยตรงเนี่ยนะมันเป็นกิเลสที่เป็นคู่ปรับโดยตรงของเมตตาคืออะไรพระสูแสดงจถึงอนี้ไว้เยอะเราก็รู้อยู่โดยไม่ต้องบอกว่าคืออะไรโทรสะใช่นหมฮะแต่บอคนที่จะเน้นเมตตาเนี่ยจะละพยาบาท ล, ละโทสะได้เป็นปฏิปักโดยตรง แม้ในในสูตรอื่นก็มีที่ไม่ได้แจกนะครับผมอถ้าเป็นในนี้ก็เพราะว่าเมตตาเจโตมุติเป็นเครื่องสลาดออกซึ่องพยาบาทแล้วก็อถ้าหากว่าเป็นในที่อื่นนะก็บอกว่าเราย่อมไม่เล็เห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้พยาบาทเที่ยงไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรืยาบาทที่เกิดแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนเมตตาเจโตมุติดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อ บุคคลใส่ใจเมตตาเจโตมุดโดยแยกคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดอที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมละไดะ้นี่ก็คือว่าคนมีเมตตาก็จะคุมกิเลสตัวนี้ได้มันเ็นของกงก้ามกันคนมีเมตตามากโดยธรรมดาเนี่ยนะะก็จะเป็นคนไม่ไม่โง่รุนแรงทีนี้ถ้ า, ถ า, าสมมติเราแฝงเมตตาจะั้งเราคุมกิเลสตัวนี้ได้เนี่ยเวลาไปทํำวิปัสสนาจะมีความสะดวกในการควบคุม โทมนัสทีอมีเนยะโลเคียพิจารโทรมนัสสัสงเนจะมีพลังควบคุมโทมนัสในการปฏิบัติวิปัสนาพวกนี้เนะว่าถ้าสมมเราไปปฏิบัติวิปัสนาที่มีอารมณ์ใกล้ต่อโทมนัสเช่นแบบของการแนบเนี้ยอารมณ์ก็ใกล้ต่อโทมนัสท่านเหล่านี้ท่านจะมีพลังควบคุมได้ดีจ ะ, จะเป็นคนเย็นแต่ว่าถ้าบางคนที่ไม่มีพลังตรวนี้ก็จ ะ, จะจะร้อนเหมือนว่าทําแล้วก็รู้สึกว่าทนปวน อารมที่แห้งแรงไม่ไหวถ้ามีเมตตาไม่ตาช่วยนะอันนี้คือสิ่งช่วยท่า น, มนผมคับสูตรนี้มาเพียงเพื่อจะแสดงตรงนั้นเท่านั้นส่วนอื่นก็จะไม่แสดงและในท้ายที่สุดเนี่ยจะอ่านเนื้อความท่ำตัวนของพระพุทธเจ้าซึ่งมัอยู่ในในนั้นนะไม่ได้แจกง่ายนะ ตัวนการตอบแทนบุญคุณของชาบ้านว่าชาวบ้านเขาให้ของเรากินเนี่ยแล้วเรามาใช้กับเราได้นะใครที่เกือ่อกูลเราเนี่ยไอ้บางครั้งเนี่ยเราจะเงินเราทองไปให้เขาให้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราให้แล้วจะมีผลตอบแทนอย่างดีที่สุดคือเมตตาอิตทรีนะยังบางคนเนี่ยแต่ให้เขาไม่รู้จะให้ได้ยังไงเรายก มีบัญชีสามสี่บัญชีสิบบัญียกให้ยังไม่เท่าเขึ้นปัญชีในบัญชีสิบบัญชีของเขาไง่ะมันที่จะให้อะไรตัวแต่เลตตาเนี่ยให้กันได้ทุกระดับเนของไม่มีพรมแดนไม่มีฐานะสาวกก็ให้แก่พระพุทธเจ้าได้ควรให้แก่พระพุทธเจ้าด้วยลองฟังด้วยนะนี่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณกันแบบไม่ต้องลงทุนมากแต่บางคนแหว่ให้ทุนมันนี่มันทําให้เสื่อมยาวเลยก็เลย มันรู้จะลงแบบไหนและถ้าหากว่าเราจะให้อย่างอื่นแล้วเอานิดแถมก็ไปพับเนี่ยโอ้โหของน้อยตายเป็นของเยอะเป็นของมีพลังขึ้นมาเลยท่านตรัสว่าดูก่อนทิกษุทั้งหลายถ้าทิกศูท่องเสงเมตตาจิตแม้ชั่วการเลียงรัดนี้หมื่เดียวเท่านั้นทิกษุนี้เรากล่าวว่าไม่ห่างเหินจากฌานทำมตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจากกล่าวไปใหญ่ถึงผู้ทมเมตตาจิตนั้นให้มากเราดูก่อนที่พิสุน ร, ร้ายถ้าพิสุรจริญนเมตตาแม้ช่วการเตรียรักนี้มืเดียวเท่านั้นีิสุนี้เรากล่าวว่าไม่อยู่ห่างเหินจากชาน ต, ตามทาตามคาสอนของระษาสดาปฏิบัติตามโอวาตไม่ฉันบินทบาต ของแว่นแก้วเปล่าจะกล่าวไปใหญ่นีน้เจริญเมตตาให้มากเราอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นพุทพจน์ที่เอามาหานให้ฟังว่านี่เป็นเป็นคำสอนว่าพระเนี่ยจะจ ะ, จะตอบแทนแถวบ้านอย่างไรให้การคุ้มครองอย่างไรแล้วผมต้องบอกว่าพระที่เติบโตอยู่ในป่าเนี่ยได้ยินที่เราเคยกันเมื่อเมื่อตอนก่อนทอนอ น, นะนะตะคุณคุณวดี ที่บังเอิญมีตัวอยา่างอ่า้เนพูดถึคุณวิสิตคุณวิสิตที่บอกว่าไปวัดหลวงปู่บัวมาแล้วมีคนไปคอดกระถินได้เงินเท่าไหร่นะสิบกว่าล้าน อ, อะแล้วก็บอกคนณอเล่มีคนบังเอิญก็มาคามมาุย ก, กันกี้ว่ปรากฏว่านครอบครัวที่เข้าโคกุณวดีเคยดูแลวก็ถามคาจุนมาตั้งแต่ไม่มีอะไรฮรู้จักดีทั้งบ้านแล้วก็เพื่อกันมาด้วยเต้ดนี้นะ่ เลยกว่าเรากท้แน่เลยธรรมะโดยเลยบุญด้วยเลยเงินด้วยเพะอะไรเพราะว่าได้มาทําบุญด้วยไอ้ที่มาที่ไปกองวิทยุได้ิานไม่เล่าให้ฟังนะใจอยากเลยก็ไปถามคุณบดีเอาอยัางไงก็ทั่งเออทําไปทำมาไอ้รวยได้หมดเก้าเราหลานดีกันหมดทั้งบ้านรวยกันทั้งบ้านเลยจนหน้าอิจ า, าจนหน้าแปลกใจแต่ละพัตที่อยากจะ ไม่เชื่อก็เพราะว่าเขาทําบุญผูกชองแล้วก็บอกว่าเงินทองเหล่านี้มันหมาเองถ้าเราทําบุญจะเขาคือเขาจะเลือกทำบุญในที่เขาบอกว่าทําบุญในทางโลกที่พูดมาวาันี้เลือกบริหารการทําบุญไม่ได้ทําตรงเด็ดก็ไปได้ถ้าดีก็เป็นบุญเข้ากันน่ะตั้งใจขนาดก็ไปทําบุญแล้วกล้าดีๆมีปีกมีฐานพละท่านเหล่านี้ ข้าวเรามีน้ํำยาฟ้าดีๆเหมือนคนดีมีน้ํำยาแต่ว่าการที่เราจะไปได้บําึงกับท่านเหล่านี้ไม่ใช่ของไม่ง่ายเราต้องมีดีในขั้นเด็ดเหมือนกันท่านยจาให้ทานกุ้รองเนี่ยคือเลี้ยง้าดีๆมือเดียวทวงบุญคุตลอดชีวิตนี่อะไรก็จบทุกประทีฐานบอกเลยนะทีนี้คนเหล่านี้ก็ไปเขาจะก็แ็กไปเน่ย ก, ก็ขยายถามเนี้ยก็ได้รับการค่งของอะไรกันเลยก็เลยเลยว่างๆเร า, าไปคุยดูสินะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็บอกว่ามีขออนุญาตเล่ายิงไวม่ดีก็เป็นความผิดของคุณก็แล้วกันนะพวกคุณเนี่ยมันมาอย่างไรก็คงจะค่อยๆมาว่ะเออไอคนที่เขาเาที่มาขายเนี่ยขายถูกสมัยก่อนนะสมัยที่ยังที่ยังเลยขายขั้งอยู่เนี่ยนะคงกระจายตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเลยลุ่นนะม ขายให้ถูกคงจะแบบไอ้คนมีบุญนะฮะว่าไปขายที่อื่นก็ไม่ได้เหมืนที่ผมเคยเห็นมาแล้ว็นบุญของคนที่มีบุญเขจะต้องรวยใญ่ที่แง น, นี้ที่เก้าสิบไร่ขายสีห้าแสนหาคนซื้อไม่ได้ที่อีอยมันก็เคยลดลด ม, ามามาเจอเขาบไล่ยอยู่ใต้แ้ลดลขายถ้าถูกคะลดผมเลยมาแล้วี่แสนแต่ถูกมาก พอขายเสร็จแล้วปรากฏร่าพอไปขายทั้งเป็นร้อยล้านเนี่ยโอ้โห <F> ฟังแล้วก็ขนลุกเลยนี่เขาจะต้องได้อะไอคนไม่มีบุญเนี่ยนะฮะไปขายที่ไหนก็ไม่มีคนซื้อบุญมันบังไว้ต้องคนนี้ซื้อของคนนี้เขาเนี่ยก็ต้องมาได้กับคนนี้ก็เลยมาได้สบายไป <S <S แต่แ้่ตัวก็ต้องมานั่งเดินได้เอ๊ <S <S ไม่น่าขายไอตอนขายได้ดีใจนะดีใจทำไมอาจจะไม่ ง, ง่าขอบคุณเป็นพระเดชพระคุณดีไหมพระุมนาซื้อไว้เนี่ยไปขายมาหลายเจ้าแล้วเขาไม่ยอมซื้อนี่ลดได้แังเยอะยังไม่สาเป็นให้บุญคุณด้วยแกรดก็ค่าที่แต่เพิ่มค่าบุญคุณแล้วก็แม่คนซื้อก็ซื้ออย่างจริงจริงด้วยนะเลยคุณกองบรริ่มเลย ที่ไหนได้คนขายนะมามาเป็นบุญคุณกับเขานะต้องมองอีกมุม น, นึ่งเนี่ยตอนนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพิสูจน์เขานะเสร็จ พ, พิสูจน์เอาว่าเนื้อนาบุญเนี่ยยังเป็นหลักที่พิสูจน์ได้อยู่บนควดถึงว่าอารหันจะมีโซโดาบันจะมีหรือไม่เนี่ยแต่ว่าคนที่มีศีลเป็นที่รักอยู่ในสมาธิเนี่ยมีนะว่าคนเหล่านี้ก็คุ้งครองของกมได้ อย่างชนิดที่บางทีมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นต้องอธิบายถึงเห็นคุ้มครองในทางการเนี่ยพระเรามีช่วยได้เยอะคนดีๆช่วยได้เยอะแต่มองไม่เห็น <S <S พูดว่าหัเวเมียทะเรากันจะฆ่ากันตายถ้าปล่อยให้เขาฆ่ากันตายแล้วมาพูดสาพราช่วยได้หน่อยนะแต่ว่าถ้าพระเนี่ยช่วยกันและก่อนช่วยปลอบเขามีอะไรพราไปบินฑ บ, บาตตอนนี้เอาเรียกมาสอนนินหน่อยเขาไม่ฆ่ากันตายอย่างเนี้ยอแล้ว ่าไปชั่งตัววัดยังไ ง, งไใช่ไหมแต่ว่าพเห็นว่านี่ไม่สอนต้องค่ากันตายแน่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาใช่ไร้ไม่ดีทกักอย่างหนึ่งพระต่้งก็ไปช่วยก็กัรให้ผลทางกรรมเนี่ยคนมักจะดูเบาโอ้โหไห้คนเนี่ยปล่อยให้เป็นเอะกดนแล้วลไปเอายาเอใส่ให้เนี่ยเออมันดีคุณค น, นไม่เลย มีาการสร้างสถานการณ์กันขึ้นเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกว่ามีสินค่าแก้ไขนี่นะครับก<ม>็เป็นนันว่าร่วมเมตตาเรามาถึงจุดที่ดีที่สุดแต่ทำยากที่สุดคือตรงนี้ก็แล้วเราก็จะจบเรื่องเนตต า, าไปก็ถ้ากลับจากที่นี้แล้วแล้วถ้ามีจังหวะหมอก ขวัญเทศการเข้าภรษาว่าจะมาชุดเฉยอะไรบางอย่างให้ในในการบรรยายเรื่องใดเร่นหนึ่งก็เดินเวลามาแถมให้เพราะถ้าเกิดแล้วท่านจองจะไม่มาอยู่แล้วก็ไม่ต้องมัสิก็เมตตาเราได้เรียนก็ได้เรียนได้แผ่ก็ได้แผ่ก็หวังว่าจะเป็นอันนี้สงเป็นเบิร์มีแก่เรา ตามตามสมวควรแกว่าธนาบารมีนะเราขอให้เอาไปใช้แบบเป็นกรรมฐานยั่งยืนอันหนึ่งแล้วก็จะช่วยชีวิตได้มากช่วยความเจริญในธรรมได้มากด้วยแล้วก็ฝากให้พิสูจนปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์สังเกตไปตามลำ ด, ดับด้วยก็จะพบรายละเอียดพบอนุภาคของเมตตาอย่างพุทเจ้าตรัสไว้ที่ว่ามาในคราที่แล้ว ส, ะะสมจริงหรือไม่นะครับขอจิตธรรมีครับ to talk to